เทศวันที่17กุมภาพันธ์2507ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีเราไม่ต้องกดขี่บังคับจิตใจจนเกินไปเป็นเพียงทำความรู้ไว้เฉพาะเท่านั้น ท่านผู้กำลังเริ่มฝึกหัดโปรดให้จดจำวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้แล้วนำไปปฏิบัติควรจะปรากฏผลหรือไม่นั้นเราอยากคาดคะเนและอยากเป็นอารมณ์ ขอให้หลักปัจจุบันคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่พิจารณาอยู่มีลมหายใจเป็นต้นให้มีความสัมผัสรับรู้กันอยู่นี่แหละจะเป็นเครื่องหนูนให้เกิดผลขึ้นมาเริ่มแต่ความสงบ เข้าไปเป็นน้ำหนักและเมื่อได้ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจแม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศก็ดีนั่งภาวนาก็ดีเมื่อถอนออกจากที่นั่นหรือลุกจากที่นั่งนนันแล้ว ในวาระต่อไปที่เราจะบําเพ็ญอีกเช่นเดียวกับคราวที่แล้วโปรดยาได้ไปทำความสำคัญในเหตุในผลที่ได้เคยปรากฏแล้วอย่างใดซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานหรือผ่านมาคราวที่แล้ว เบื้องต้นที่จะปรากฏความสงบขึ้นมาให้เราได้รับเป็นอารมณ์นั้นเรายังไม่มีต้นทุนมาจากไหนหรือไม่มีมีเลที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับปราผลอย่างนั้นทำไมครั้งแรกที่เราปรากฏเึ้นนั้นจึงมีขึ้นภายในจิตใจของเราได้มีขึ้นปรากฏขึ้นได้เพราะเหตุไดก็ต้องปรากฏขึ้น เพราะเหตุที่เราบำลุงโดยถูกต้องเมื่อคราวต่อมาเราก็ากำหนดต้นเหตุนั้นไว้อย่าให้จิตกลายเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องสัญญาอดีตคือไปคาดหมายในการกระทําที่ผ่านมาแล้วจิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผลเนื่อหลักสำคัญ โดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบวันต่อไปไม่สงบนั้นเนื่องจากสัญญาอาดีตที่มาหมายในวันนี้ซึ่งล่วงไปแล้วสิ่งที่เราจะยึดไว้เป็นหลักใจเพื่อการปฏิบัติต่อไปก็คือจิตที่ได้รู้ได้เห็นหรือมีความสงบขึ้นในคราวใดก็ตามสงบขึ้นเพราะเหตุใด อะไรเป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆเช่นนั้นให้เรายึดต้นเหตุอันนั้นมาเป็นต้นเหตุในปัจจุบันของเราผลจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นหนึ่งหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นหนึ่งหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไป โดยมากผู้ที่บำเพ็ญทางด้านจิตใจที่นับความสงบเยือกเย็นมาแล้วขาดความสร้างรวมระวังภายในตัวความเพียรก็ได้มีจิตก็มีทางเสื่อมลงไปได้ เมื่อกิตได้เสื่อมลงไปแล้วจะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มีระดับเช่นที่เคยเป็นมาไม่สามารถจะทำได้นี่เพราะเหตุว่าจิตไปยึดเรื่องอดีตเสียทั้งๆ ท, ที่ตนกำลังนั่งภาวนาความมุ่งจะให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนั้นไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องลบกวนใจ ไม่สามารถที่จะทำความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นที่ว่ามานี้ต้องปล่อยวางในขณะที่เราบาเพ็ญถือหลักปัจจุบันเราจะกําหนดจิตกับอารมณ์บทใดกับธรรมบทใด หรืออารมณ์ใดก็ตามให้ทำความรู้สึกไว้กับอารมณ์หรือทำบทนั้นเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรความสุขที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีลักษณะเช่นไร ห, หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นไรดังนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปสนใจรอดทาหน้าที่ ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้ไม่ว่าจิตของนักบวชไม่ว่าจิตของฆราวาสไม่ว่าจิตของผู้หญิงผู้ชายต้องทำความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอและเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สิกต่างๆอยู่ด้วยกันไม่เคยนอนใจอยู่เฉยๆโดยปราศจากความรู้ แม้จะหลับก็ยังรู้ว่าหลับหลับสนิทดีก็รู้ฝันเรื่องอะไรก็รู้นี่ก็พอให้เราทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้แต่ขณะเดียวเมือ่อจิตได้รับทำเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่อง เกาะเครื่องเหนียวแล้วจิตจะต้องมีหลักฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้เวลาอุปชายะท่านจะบวช พระบวชเนนท่านจึงให้กรรมาฐานห้ายวาตจัปยักกะกรรมาฐานอเกสาโลมานะขาทันตาตะโจทั้งห้านี้เพื่อเป็นหลักใจของนักบวชนั้นจะได้บำเพ็ญพิจารณาจิตจะได้อาศัยอยู่กับ อาการตั้งห่านี้อาการใดอาการหนึ่งที่ผูกจริตของตนพิจนารณาดูเช่นหนังเป็นต้นพิจารณาออกข้างนอกพิจนารณาเข้าข้างในเมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนี่แล้วความรู้อาจจะซึมซาบไปสู่อาการอื่น ทั่สารพรางร่างกายว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างหลักความจริงที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดแม้ท่านจะระบุไว้เพียงห้าประการนี้ก็าตามสิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งห้าที่กล่าวทั้งนั้นเมื่อจิตได้เกาะอยู่กับอาการใด มีสติอยู่กับอาการใดจิตจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับอาการนั้นจะได้ทำความเข้าใจตนเองกับอาการนั้นให้ถูกต้องต่อจากนั้นจะมีความซึมทราบรู้ไปในส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งก็ปรากฏขึ้นเหมือน ก, กับเราเห็นด้วยตาเนื้อเห็นชัดจริงๆ จะเห็นส่วนใดก็าตามในส่วนแห่งร่างกายนี้เมื่อจิตได้เห็นชัดความสนใจซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็มีมากจิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดนั้นมีท่านเรียกว่าเห็นกายอย่างหนึ่งเมื่อจิตได จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นนั้นแล้วจะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตนั้นกระจายไปทุกแห่งทุกหนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกายแล้วเกิดความสรุดสังเวชภายในร่างกายของเราว่ามีสิ่งบางๆสิ่งหนึ่งเท่านั้นปกปิดทุ่มพ่อไว้ไม่ไดนาเท่าใบลานเลย นอกจากนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์แต่เพราะเหตุแทางสติกับปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสียจึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วกับเป็นจุดที่ยึดหมายของอุปทานอย่างเต็มที่ เมื่อจิตเราได้ปักปันเขียดแดนลงในที่ใดยกอุปมาภายนอกเช่นเราได้ปักปันเขียดแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึง่งว่าเป็นของเราขึ้นมาแม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ตามจะมีแต่เพียงที่ดินว่างๆอยู่เท่านั้น เกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาร่วงล้ำเขียดแดนของเราเข้าอย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากันมากกว่านั้นก็เป็นถ้อยเป็นความหรือฆ่ากันตีกันก็ได้เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆที่นั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนี้เมื่อเราย้อนเข้ามาสู่อุปทานในฐันก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน ต่อเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอำนาจของปัญญาเรื่องอุปทานที่จะแทรกสิงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นลำดับๆ ยิ่งได้พิจารณามากเท่าไร่ก็ยิ่งเป็นปากเป็นทางที่จะให้ถอนอุปทานได้มากเท่านั้นการปักปันเขียดแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองทิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมาฐานห้าที่ระ้าปัะชายย่หมอภายนั้น จึงเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้นคือทุกข์กับทุกข์ที่กายสมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันนี้มากจึงหาทางเดินไม่ได้ เพราะเกินไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทยัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งรลังกายมักคือปัญญาที่จะถอดถอนอุปทานนี้จึงไม่มีช่อมีทางดังนั้นที่ท่านให้อุอบายวิธีห้าข้อคือเกตสารุมานัขาธันตาตะ จ, จูแก่นักบวชจึงเปรียบเหมือนกันกับว่าให้อาวุธ เข้าถาถางทางที่จะถอดถอนอุปท า, านของตอ น, นตามส่วนต่างๆแห่งร่างกายนี้นับตั้งแตกการพี่จะนาขั้นตนจนมีความชำนิชำนาญสามารถที่จะรู้เท่าทันในส่วนแห่งร่างกายทั้งภายนอกภายในเบื้องบนเบื้องล่า ง, า ง, า ง, างและรอบทั้งตัวเราจะแยกเป็น ส่วนแห่งกองทุกเรื่องของการนี้ทุกส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทุกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเรื่องกองทุกเสียทั้งนั้นถ้าลองเอาปลายเข็มจุดลงไปสักนิดหนึ่งเราก็จะทราบว่าเรื่องกองทุกมันมีดู่งทั่วสารพรางร่างกาย แน่ปลายเข็มหนึ่งเท่านั้นก็มีช่องว่างพอจะจดตรงได้จะเต็มไปแต่เรื่องกวางทุกภายในกายของบุคคลคนหนึ่งเมือ่อจิตได้อาศัยอยู่กับส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วโดยการบังคับไว้ด้วยสติ ให้ท่องเที่ยวอยู่ตามสารพรางร่างกายใจยจะมีโอกาสรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของทุกข์ก็จะรู้กันในที่นี้เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากจัตเจ้าบุคคลนี้เลยดังนั้นคําว่าอริยสัจว่าเป็นธรรมลึกซึ้งนั้นจึงไม่เลยความรู้สึกของเราไปได้อยู่กับความรู้สึกของเราด้วยกันแต่ว่าสูงก็ไม่เลย กับใจของจัดแต่บุคคลชมูท้ายว่าลึกก็ไม่ลึกไปไหนจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนี้ทั้งนั้นและการพิจารณาเรื่องของกายคือให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ดีให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้านจิตใจก็ดีเป็นสภาพที่ ปฏิเศษในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสนับพังร่างกายและใจก็ดีเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปท า, านที่เรียกว่าเป็นตัวสมูทัยนั้นขึ้นมาให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ได้เป็นอยู่เป็นปกติไม่ถูกกดขีบ่บังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจากใจและให้ใจได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งใด ว่าเป็นเราเป็นของเราต่างอันต่างอยู่นี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญานรัตนังรู้เห็นตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์โดยทางปัญญาจนสามารถถอดถอนอุปทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออุปทานของใจ ที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนแห่งร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วก็ต้องเข้าเข้าไปสู่จุดแม้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องหัวใจตรงเดียวเมื่อปัญญาของเรามีกำลังเพราะเหตุแห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่จะรู้เรื่องของกายซึ่งเป็นส่วนหยาบๆเรื่องของจิตที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจของตัวเองนั่นก็จะพ้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที่เรียกว่ามรคเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนเรื่องความถือมั่นสาคัญผิดของตนที่ให้ชื่อว่าสมุทัยทั้งนั้ น, นเมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกสมูทัยนี่โลดมากจะละเอียดหรือสูงไปที่ไหนไม่นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลยคือเราที่เราไม่มองเห็นเรื่องความจริงที่มีอยู่กับตัวเรานั้นเนื่องจากเรามองข้ามเราไปเสียเท่านั้นเรามองข้ามอริยสัจจึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเรา พระพุทธทเจ้าก็ดีสาวก็ดีที่ว่าตรัสรู้มรรคผลนิพพานท่านตรัสรู้อะไรนอกจากจะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจทั้งฝ่ายทุกข์และส ม, มุทยัยด้วยมรรคแล้วก็กลายเป็นนิโรธคือความดับพินิจแห่งทุกข์ขึ้นมาทั้งส่วนจิตใจและกลายก็หมดกังหมด คำ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในขั้นนั้นกับที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นเรื่องของทุกสมุทัยอันเดียวกันการพิจารณาก็พิจารณาด้วยมรรคคือเรื่องของสติปัญญาอันเดียวกันนิโรธาคือความดับแห่งดับทุกขเป็นลําดับลําดับปนั้นจะเป็นอื่นมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องของอริยสัจอันเดียวกันอีก เพราะฉะนั้นคำที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาจริงไม่เลยจากฝืนกลางแห่งขันของเหล่านี้มีความเป็นกลางอยู่เสมอจิตเราพยายามทำความสงบเราพยายามเราเอง ความไม่สงบก็คือเป็นเรื่องของเราเองผู้พยายามจะทำความสงบและดัดแปลงตัวเองก็คือเราเหตุใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้การหนีจากความพยายามของเราไปไม่น่าแน่นอนต้องอยังเข้าถึงความสงบได้ความสงบของใจมีหลายชั้น สงบบางขณะบางเวลาแล้วถอนขึ้นมาเสียมีเรียกงว่าความสงบที่เรายังไม่ํานานความสงบอีกอย่างหนึ่งพอจิตรวมเ ข, เข้าไปแล้วถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องภายนอกหรือเป็นเรื่องภายในของตัวเองออกแสดงออกแต่ตนไม่รู้ก็ก็เป็นได้ อย่างนั้นก็มีนี่จะมีเป็นจนํานวนน้อยในสมัยทุกวันนี้ไม่ค่อยมีมากแต่จะพิเสธว่าไม่มีไม่ได้มี่ท่านเรียกว่าสมาธิประเภทหนึ่งอุปจารสมาธิอุปะแปลว่าเข้าไปเข้าไปแล้วจะละก็ออกเที่ยวออกรู้สิ่งต่างๆนี่ให้นามตามธรรมป่าว่าอย่างนั้น อปปนาคือความแนบสนิทของสมาธิแม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิตธรรมดาก็ทรงไว้ซึ่งความสงบไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหเหิมไปกับเรื่องอารมณ์ใดๆตั้งเยู่ในความสงบของตนมีความเลือกเก็มสบายอยู่เช่นนั้นแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอะไรก็ได้แต่ธรรมชาติความสงบ ที่เป็นภาค พ, พื้นของสมาธิประเภทนั้นจะต้องเป็นอยู่แค่นั้นโดยปกติเมื่อรวมเข้าไปก็วางกิริยาต่ออาการความคิดความปรุงต่างๆเสียดูเป็นเอกกิจคือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆและรวมหน้าเป็นเวลานานมีท่านเรียกว่าอปปนาสมาธิให้ชื่ออยาท่านให้ชื่ออย่างนั้น เรื่องของปัญญาก็มีเป็นขั้นขั้นเช่นเดียวกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่เราจะควรใช้ตามขั้นของสมาธิของเราได้ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบต่อเมื่อฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีกําลังขึ้นมา เลื่อนเป็นลำดับลำดับความชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็น้าวันคล่องแคล่วและชํชนานิชานาญและมีความรวดเร็วขึ้นไปเช่นเดียวกับเรื่องของสมาธิที่ผู้ฝึกฝนอบรมจนพอตัวแล้วต้องการจะให้กิจสงบเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการนี่คือความชํานาญของสมาธิที่ดีฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝนอบรมสมาธิไม่ใช่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิขั้นไหนจะกลายเป็นปัญญาขั้นนั่นขึ้นมาทำ ต, ตามกันอย่างนี้หาไม่ต้องอาศัยการฝึกถ้าหากว่าปัญญาจะเป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆกันกับสมาธิแล้ว ผู้บำเพ็ญสมาธิจะไม่มีการปิดในสมาธิของตนเลยเพราะปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะเพื่อแผ่นขึ้นมาและทำงานได้เช่นเดียวกันกับสมาธิหลักที่ถูกต้องก็สมาธิก็ให้เราถือว่าเป็นสมาธิเสียในขณะที่เรานั่งทำความสงบก็ให้เป็นความสงบ เมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุขันธ์อายตนะสภาวะธรรมต่างๆจะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดชิ้นใดจะเป็นเรื่องการแตกการสลายการทำลายอยู่ในวงแห่งตรลักษ์แล้วท่านเรียกว่าปัญญาพยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับสมาธิของเรา มีความชำนาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรมแล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที่การงานของผลไม่ใช่เราจะต้องบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาก็มีความชำนาญปัญญาก็ก้าวขึ้นสู่ระดับอันสูงหรือละเอียดเป็นลนำนับ จนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได้พร้อมๆกันเมื่อในเก้าเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นสติอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับว่าให้รู้สิ่งนั้นให้รู้สิ่งนี้ให้กําหนดสิ่งนั้นให้กําหนดสิ่งนี้ให้พิจนารณาสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่เรื่องของสติกับปัญญาจะกลมเกลียวกันไปเช่นเดียวกับเกลียวเชื่อ ทำงานในหน้าที่ของตนเสมอสิ่งใดที่มาสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายเรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงทีแต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนา ม, มารรมล้วน จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายเลยเพราะกายนี้เพียงขั้นสติขั้นกลางก็สามารถจะรู้ปัญญาขั้นกลางก็สามารถจะถอดถอนบุปทานได้เพราะความชำนาญในขั้นนี้แต่เรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนละเอียดเช่นความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ นิสัสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับกจิตโดยเฉพาะนี้เป็นส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นกับใจวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆกระเพื่มถึงใจจิตจะยอกย้อน กลับไปกลับมาให้รู้ที่เกิดที่ดับของอาการทั้งสี่นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้จะมีความหมุนตัวเองอยู่เสมอนอกจากเวลาหลับเท่านั้นจะไม่มีการบังคับบัญชาอะไร นอกจากแล้วว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพักตัวเลยมีความเพินในการคิดการคน้นการแก้ไขตนเองที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมะขั้นสูงว่าอุท ธ, ธจักความฟุ้งของใจมีได้แก่การเทินในการคิดค้นของตนเอง จนลืมตัวเรียกว่าเพลินเกินไปต่อเมื่อจิตได้พานไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่ความเพลินเกินไปนี่เรียกว่าเป็นทางผิดทางหนึ่งเหมือนกันไม่มีเวลากะพักผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลา เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆในที่ปรากฏดูกับใจสัญญาสังขารวิญญาที่ปรากฏออกมาจากใจจำหมดความหมายกับสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเหล่านั้นเป็นด้านวัตถุ และเป็นส่วนหหา่จะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นพยายามสอบสวนทบทวนดูเรื่องความเกิดความหลับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการทั้งสี่นี้ กับเรื่องรูปประขันนี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเป็นด้านวัตถุกับด้านนา ม, มารมซึ่งไม่เหมือนกันก็ต่างแต่ก็รวมลงในตรายักษ์เช่นเดียวกันไม่มีใครจะสามารถประยิทธ์เอาอาการทั้งสี่นี้ว่าเป็นสุขเป็นอัตตาหรือเป็นของเที่ยงได้มีสภาพแปรเช่นเดียวกัน แล้วยังสามารถจะพิจารณาได้อีกว่ า, าทาภาพทั้งสี่อาการทั้งสีนี้เกิดขึ้นมาจากไหนฐานที่ตั้งของอาการทั้งสีนี้มีอะไรเป็นที่ตั้งนอกจากจิตและอาการทั้งสีนี้จะไม่มีที่ตั้งเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจัยการ คือความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันกันในจุดนั้นได้อีกด้วยทันเหียกว่าได้ปล่อยวางฐานที่เกิดแห่งพพแห่งชาติ ฐานที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาอาศวะได้แก่จิตดวงนั้นปล่อยวางส่วนแห่งร่างกายเทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเป็นลำดับลำหนับและก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญา แล้วจีเดียตัญหาจะมีที่ตั้งบ้านต่างเรือนตั้งพบตั้งชาติที่ไหนไม่มีที่ตั้งมีท่านเรียกว่าทำลายอาวิชชาอาวิชชาได้สิ้นสุดลงในจุดนี้เรื่องอุปทานทั้งหมดก็ได้ยุติกันลง ทำให้สุดอันนั้นจึงจะปรากฏภายในท่านผู้รู้ผู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเองเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเป็นมาก็ทราบชัดในขณะนั้นว่าเป็นไปจากธรรมชาติอันเดียวนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายพาให้ทุกข์ยากลำบาก สูงสูงต่ํา่ำุ่มลุ่มนอนนอนแห่งพบแห่งชาติแห่งความสุขความทุกข์ก็ไปจากจุดเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่คือว่าบอ่อแห่งความกลางบนมีอยู่จุดนี้ทั้งนั้นถ้าว่าต้นไม้ก็คือรากแก้วของต้นไม้ถ้าว่าพบว่าชาติก็รากแก้วของพบของชาติได้จากกิตติวิชาที่พัวพัน หรือคุ้มทราบกันอยู่จนไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอวิชาจนกว่าปัญญามีความสามารถแก้วกล้าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วจึงจะทราบหลักฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจนพร้อมทั้งทำลายด้วยมรรคยานได้แก่ปัญญาขั้นละเอียดภพชาติจริงจะสิ้นสุดลงในใจตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านว่ามุติตังปรมาจาย แต่ตังกรณีย่างได้จบเสร็จจิตในพระพุทธศาสนาทิศอื่นที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคือเราจะทําการถอดถอนอะไรอีกไม่มีสิ่งที่จะถอดถอนเพราะสมมุติได้สลายตัวลงไปหมดแล้วไม่มีอันใดเหลือท่านจึงให้ชื่ออันหนึ่งขึ้นมาว่าวิมุตติสมมุตินั้นเราตั้งชื่อด้วยมีความติดใจในสิ่งนั้นด้วย เป็นอุปทานในสมมุตินั่นด้วยแต่วิมุตตตั้งขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านผู้บริสุทธ์ตั้งจึงไม่มีข้อข้องใจอันใดกับชื่อของวิมุตตตั้งไว้ตามอาการเท่านั้นทีนี้อริยสัจจะทำทั้งสี่ไปอยู่ที่ไหนเมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้วทางเดินก็ สุกีใยหรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริงทุกก็ได้สลายตัวไปแล้วเพราะลากฐานคือสมุทยัยได้ถูกถอดถอนขึ้นด้วยมรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกขผู้ใดที่รู้ว่าทุกดับผู้นั้นไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธะ เพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงนอกเหนือไปจากสมุทัยนิโรธมากอีกทีหนึ่งมีหลักของพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติตามเนี่ยทางของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยโน้นหรือสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดขอแต่ได้ดำเนินตามหลักความจริง คือหผลโดยถูกต้องผลที่อันเป็นที่พึงพอใจจะต้องแสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกรายโดยไม่คำนึงว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชนิฆราวาสอำ น, นาจวาสนานั่นเราสร้างมาด้วยกันทุกคนเราอย่าได้ประมาทอา น, นาจวาสนาของตนทุกคนก็ต้องมีกิเลยด้วยกันเพราะกิเยดยังไม่สิ้น ต้องเป็นผู้มีกิเลสจะสามารถว่าตนมีวาสนามากน้อยได้อย่างไรต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี่แหละเราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจหรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเราเราจะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตอนนั้นเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นลําดับลำดับ สัญญาที่เราก้าวไปนั้นก็แสดงว่าเราเพิ่มอำนาจวัทนาของเรานั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่า น, นในอวาสานแห่งพระธรรมเทนัานขออำนาจแห่งกุณพรัตนไตรจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเถอ